บทแปรส่วนกุศลอิธังเมมาตาปิตู จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า สุคิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอ สุคีตาหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนาย